เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะจาริกไปเรื่อยๆพบปะผู้คนหลากหลายประเภทคนที่มาพบท่านใครมีปัญหากับชีวิตท่านก็เมตตาสั่งสอนให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์พระเรวตะเดินทางมาจนถึงนครราชฤทธ์ท่านมาพักอยู่ณนะพระเวลุวรณารามสถานที่ดีมากเหมาะแกการบำเพ็ญธรรม พระมหาเถระผู้ดูแลอารามแห่งนี้ทราบว่าพระเรวตะมีอายุการพรรษานานพอสมควรจึงนิมนต์ให้พระเรวตะดูแลพระเวลวันเพื่อท่านมหาเถระเองจะได้ออกจาริกพระเรวตะรับอาสาทันทีเพราะตัวท่านเองก็ได้เดินทางมามากแล้วขณะที่พระเรวตะรับหน้าที่เป็นสัมพันธ์ดูแลพระเวลวันอยู่นั้น ท่านได้อย่างความเจริญให้แก่ภิกษุสามเณรตลอดทั้งพุทธบริษัทเป็นอย่างดีการแสดงธรรมของท่านทําให้พุทธบริษัททั้งไกลและใกล้มาฟังธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเมื่อญาดโยมมาเลื่อมใสาศรัทธามากขึ้นลาบสการะเสียงเยินยอก็หลั่งไหลา ม, ามามากเช่นกันท่านจึงต้องเตือนตอนเองสอนตอนเองว่า อย่าได้ไปหลงไหลตามลาบสการะเหล่านั้นจากนี้ก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังต่อไปได้แล้วค่ะเย็นวันหนึ่งเมื่อส่งน้ำเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็นั่งพักเล่นอยู่บนแคร่ที่ทำด้วยไม้ไผ่ใกล้ๆกับกอไผ่ภายในบริเวณกุฏิของข้าพเจ้านั่นเอง นึกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาคิดวิจารณ์พลางฟังเสียงใบไัยและลำไผ่เสียดสีกันเมื่อต้องลมขณะนั้นพระพิสุซึ่งเป็นรูปวัดของข้าพเจ้ารูปหนึ่งชื่อสุภูตะได้เข้าไปหาข้าพเจ้าถึงที่อยู่เมื่อทำสามีจิต ก, กรรมกราบไหว้แล้วจึงรายงานว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันนี้กระผมได้ไปให้อวาาแก่นางพิษุณีตามวาระ เมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วมีนางพิสุณีแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาถามผมว่า mm. พระเลวะเตระผู้เป็นประธานสงฆ์ในเวรวันวิหารเหล่านี้ท่านเป็นชาวเมืองนี้หรือมาจากไหนกระผมได้ตอบเธอไปตามตรงว่าท่านมาจากกรุงสาวัตถีพอได้ทราบว่ามาจากกรุงสาวัตถีเธอแสดงอาการดีใจมากนั่งยิ้มอยู่ครู่หนึ่งจึงถามอีกว่า ท่านมีอายุประมาณกี่ปีมีรูปร่างลักษณะอย่างไรกระผมก็ตอบไปว่ามีอายุประมาณสามสิบเศษผิวค่อนข้างขาวรูปร่างสมส่วนเธอยังไม่เคยพบท่านหรืออย่างไรภิกษุณีตอบว่าเคยพบมานานแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระเลวัตะที่ดิฉันเคยรู้จักหรือเปล่าเมื่อกระผมถามถึงชื่อและบ้านเกิดเมืองนอนของเธอ เธอก็บอกว่าชื่อลีลาวดีมาจากกรุงสาวัตถีพอได้ยินคำว่าลีลาวดีเท่านั้นพอได้ยินคำว่าลีลาวดีเท่านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียวแปลกที่หัวใจท้ายถูกแทงด้วยเหล็กแหลมหน้ามืดตามัวงุนงงไปหมดคล้ายจะเป็นลมพระสุภูตตะตรงเข้ามาพยุงกายข้าพเจ้าไว้พลางถามว่า เป็นอะไรท่านผู้เจริญท่านไม่สบายไปหรือผมสบายดีเป็นปกติข้าพเจ้าตอบเมื่อสติกลับมาเมื่อสักครู่ท่านว่าอย่างไรนะนางพิษุณีแปลกหน้าคนนั้นชื่อดีลวดีแน่หรือท่านจําไม่ผิดแน่นะชื่อดีลาวดีแน่พระสุภูตายืนยันผมถามเธอซ้ำตั้งสองครั้งตอนสุดท้าย ยังบอกกับผมอีกว่าจะมาเยี่ยมท่านในเย็ยนวันนี้กระผมจึงมาเรียนให้ท่านทราบไว้ล่วงหน้าโอ้ลีลาวดีเอ๋ยข้าพระเจ้านั่งลำพึงอยู่ในใจคนเดียวเธออุตส่าห์ตามหลวงพี่มาจนถึงกงรุงราชคจริเธอจะมาทำลายความสงบใจของหลวงพี่เธอได้สลัดหลวงพี่ทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใยและไปแต่งงานกับสุวรรนกุมาร เธอได้คว้างดอกไม้แห่งความหวังของหลวงพี่ลงกับพื้นแล้วเอาเท้ายเหยียบขยี้เสียอย่างไม่ปราณีจนหลวงพี่ต้องในประเทศตัวเองจากกรุงสาวัตถีบัดนี้เธอยังได้ตามหลวงพี่มาจนถึงกรุงราชกฤชเธอจะมาลื้อฟื้นความหลังอันคมคืนทําลายความสุขของหลวงพี่เธอจะมากุ้ยเขี้ยแผลที่หัวใจของหลวงพี่ที่กําลังหายสนิทให้กําเริบขึ้นอีกลีลาวดีเอ้ย เธออย่าหวังว่าจะได้พบกับหลวงพี่อีกเมื่อลำพึงมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมให้ลีลาวดีพบเพราะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับข้าพเจ้านอกจากเป็นการกวนจิตใจให้วุ่นวายเปล่าๆถึงเธอจะมาในเพศพิษุนีก็ตามไปเถอะท่านสุภูตะข้าพเจ้าออกคาสั่งไปบอกนางพิษุณีแปลกหน้าว่าผมไม่อยากพบ และไม่ยอมให้เธอมาพบเป็นอันขาดพระสุภูตะมองดูข้าพเจ้าอยังงงงๆแล้วก็กราบลาไปเมื่อเวลาขมุขขมัวข้าพเจ้าขึ้นสู่กุติปิดประตูแล้วนั่งทําสมาธิแต่จิตใจฟุ้งซ่านเหลือที่จะระ ง, งับอยู่ไว้ได้ลีลาวดีมาทําจิตใจของข้าพเจ้าให้เสียสมาธิหมดสภาพภายนอกกุติเงียบสงบ ด, ดุดป่าช้าแต่ภายในใจของข้าพเจ้า ตึกกล้องด้วยคำว่าลีลาวดีขึ้นวันนั้นข้าพเจ้าจำวัดไม่ได้ตลอดคืนเช้าวันรุ่งขึ้นพระสุภูตะได้มารายงานกับข้าพเจ้าตั้งแต่เช้าท่านผู้เจริญกระผมได้นำคำสั่งของท่านไปบอกพิสุนีแปลกหน้าตั้งแต่เย็นวานนี้แล้ว แล้วเธอกล่าวว่าอย่างไรล่ะเข้าไปเจ้าถามด้วยความสนใจก็ไม่ได้ว่าอะไรพอกระผมบอกเสร็จเธอก็ร้องไห้ทีเดียวกระผมไม่รู้จะปลอบอย่างไรรู้สึกสงสารเธอเหลือเกินเธอร้องไห้พ่างพูดคำครวนไปต่างๆนานาแต่กระผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกระุนาให้เธอพบหน่อยไม่ได้หรือครับกระผมสงสารเธอเหลือเกินอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงสาวัตถีก็เพื่อจะพบท่าน แต่แล้วก็ผิดหวังน่าจะเห็นใจมากครับท่านยังไม่รู้จักความจริงท่านก็รู้สึกว่าน่าสงสารพระสูภูตะพยายามลบเลา้าให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องรา่าให้ฟังแต่ข้าพเจ้าก็นิ่งเสียทําให้ท่านเกิดความกระหายอยากจะรู้เรื่องยิ่งขึ้นถ้าท่านอยากจะรู้ความจริงก็จงไปถามลีลาวดีถ้าเธอเล่าความจริงให้ท่านฟังท่านจะเห็นใจผม สงสารผมยิ่งกว่าลีลาวดีไปเถิดท่านสุภูตะไปหาลีลาวดีผมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่ยอมพบหน้าเธออีกจะอยู่ที่นี่หรือจะไปไหนก็ตามใจแต่อย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีกเพียงได้รับข่าวว่าเธอมาอยู่ที่นี่เท่านั้นผมก็ไม่สบายเสียแล้ว ดูก่อนทัานผูมิอายุตลอดวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้ใช้เวลาให้หมดไปภายในกุฏิน้อยของข้าพเจ้าไม่เห็นพระสุภูตมารายงานให้ฟังอีกเลยแต่ข้าพเจ้าก็ต้องการเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่อยากดินได้ฟังคําว่าลีลาวดีมันเป็นพายุใหญ่ที่มาพัดท้องทะเลคือจิตใจของข้าพเจ้าให้ปั่นป่วนคนเรารักความสุข เกลียดความทุกข์ผู้ใดนำความทุกข์มาให้ย่อมเกลียดผู้นั้นสิ่งนั้นลีลาวดีคือทูตแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงพระเรวัตะยังเข้าใจว่าลีลาวดีเป็นผู้รตรยศต่อความรักเพราะจดหมายฉบับสุดท้ายฉบับนั้นท่านยังไม่รู้ว่าเป็นจดหมายปลอมของสุวัฒนกุมารพระเรวตตไม่ยอมให้ลีลาวดี ซึ่งกำลังบวชเป็นภิกษุณีพบหน้าเด็ดขาดแม้เธอจะอุตสาบวชเป็นภิกษุณีและติดตามมาจนถึงกงรุงราชคกลือแล้วก็ตามลีลาวดีก็อุตสาหไปขอพบถึงกุติเพื่อบอกความจริงแต่หลหลังให้ทราบแต่พระเรวตะไม่ยอมให้พบกลับไล่เธอให้กลับไปเสียลีลาวดีร้องไห้เสียใจมากในที่สุดเธอก็ล้มป่วยเพราะทนเจ็บปวดหัวใจไม่ไหว รเรวตะต้องหนีไปอยู่ในถ้ำที่ไม่ไกลจากอารามมากนักอยู่ได้ไม่กี่วันก็มีพระลูกวัดขึ้นไปบอกข่าวว่าลีลาวดีเจ็บหนักมาได้สามวันแล้วมีอาการน่าเป็นห่วงเธอบ่นเพอ้อละเมอถึงแต่ท่านเรวัตะตลอดเวลาบอกว่าก่อนจะตายขอดูหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายพระเรวัตะนึกถึงความดีของนางที่เคยช่วยเหลือ เคยช่วยชีวิตท่านไว้หลายครั้งและยังซื่อสัตย์ต่อท่านอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอุตสาห์สละแม่และบ้านเรือนตามหาท่านทั่วแผ่นดินจนได้พบแต่เธอกลับผิดหวังไม่ได้รับการต้อนรับอะไรจากพระเลวตะเลยแม้แต่คําทักทายสักคำด้วยความสงสารดีละวดีอย่างจับใจทําให้พระเรวตะตัดสินใจไปพบ ลีลวดีที่สำนักนางพิษุนีบรรยากาศรอบๆบริเวณเงียบเหงาน่าเศร้าใจมากข้าพเจ้านั่งบนตังห่างจากเตียงที่ลีลวดีกำลังป่วยอยู่ประมาณหนึ่งวาภาพที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นภาพที่ก่อความสังเวชสลดจิตแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากลีลวดีกำลังนอนหลับตาอยู่อย่างสงบแวดล้อมไปด้วยนางพิษุณีชั้นอาวุโส มีประทีปดวงหนึ่งตั้งอยู่บนต่างข้างเตียงส่องแสงสว่างวับแวมพอมองเห็นหน้ากันได้เท่านั้นไปหน้าของดีลาวดีสูบซีดจนแทบจะจำไม่ได้ไม่มีร่องรอยแห่งความสวยงามสดชื่นอย่างแต่ก่อนเหลืออยู่เลยพอเธอรู้ว่าข้าพเจ้ามาเธอก็เรียกชื่อข้าพเจ้าแผ่วเบามีน้ำตาไหลซึมออกมาเต็มตา แล้วก็ไหลผ่านแก้มลงสู่หมอนเป็นทางเธอขอร้องให้ข้าพเจ้าขยับเข้าไปใกล้ๆเพื่อขอดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเธอเรียกชื่อข้าพเจ้าด้วยเสียงอันแผ่วเบ า, เบาและเยือกเย็นจับใจว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของลีลาวดีใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วขอให้ลีลาวดีได้เผยความจริงให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายเถิดเพื่อลุงพี่จะได้เข้าใจถูก และลีลาวดีจะได้ตายอย่างเป็นสุขเล่าไปเถิดลีลาวดีหลวงพี่พร้อมที่จะฟังอยู่แล้วลีลาวดีหลับตาลงคล้ายกับจะทบทวนความทรงจําถอนหายใจอย่างแรงเพื่อรวบรวมกําลังแล้วเริ่มเล่าเรื่องที่เธอเรียกว่าความจริงต่อไปว่าก่อนที่หลวงพี่จะจากกรุงสาวัตถีมาหลวงพี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือ และชื่อของลีลาวดีในเวลาเดียวกันลีลาวดีก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือและชื่อของหลวงพี่แต่จดหมายทั้งสองฉบับนั้นเป็นจดหมายปลอมเจ้าสุวัฒนกุมารเป็นคนเขียนเพื่อจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเราพอได้รับจดหมายฉบับนั้นหลวงพี่ก็เชื่อสนิทแล้วในประเทศตัวเองหนีมาแต่ลีลาวดียังไม่เชื่อว่าจะเป็นจดหมายของหลวงพี่ จึงพยายามค้นหาความจริงก็คือทำเป็นแกล้งรักเจ้าสุวัฒนกุมารและสัญญาว่าจะแต่งงานกับเขาถ้าเขาบอกความจริงให้ในที่สุดเขาก็บอกความจริงว่าเขาเองเขียนจดหมายปลอมทั้งสองฉบับลีลาวดีลืมตาขึ้นและหยุดเล่าด้วยความเหนื่อยหอบภายในดวงตาของเธอมีประกาศแห่งความเครียดแค้นจริงชังแฝงอยู่ เล่าต่อไปว่าพอทราบความจริงลีลาวดีก็ออกบวชเป็นพิษุนีแล้วออกเดินทางรอนแหลมไปตามนิคมชนบทต่างๆสืบถามหาหลวงพี่เรื่อยมาด้วยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือบอกความจริงให้หลวงพี่ทราบเท่านั้นปัจจุบัลีลาวดีก็ได้บรรลุถึงจุดประสงค์นั้นแล้วแม้จะตายก็หาได้เสียดายชีวิตไม่หลวงพี่ปลดอภัยให้แก่ลีลาวดี สำหรับความผิดพลาดที่แล้วมาด้วยเถิดลีลาวดีหลวงพี่ยินดีให้อภยัยแกเธอทุกประการหลวงพี่ไม่เคยทราบความจริงข้อนี้จึงโกรธแค้นชิงชังลีลาวดีเพราะเข้าใจว่าลีลาวดีเป็นผู้ทรยศสลัดหลวงพี่ทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วไปแต่งงานกับสุวรรณ ก, กุมารบัดนี้หลวงพี่ได้ทราบความจริงแล้วความเข้าใจผิด พร้อมทั้งความเกลียดชังเธอหายไปหมดสิน้นความรักความสงสารอย่างจับใจได้กลับคืนมารู้สึกเสียดายอาดีตเพื่อเกินแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วลีลาวดีจงให้อภัยแกหลวงพี่สำหรับความผิดพลาดที่แล้วมาจากนั้นเธอก็ตอบได้เสียงอันแผ่วเบา ว, ว่าลีลาวดีให้อภัยทุกอย่างชาตินี้มีกรรมความรักของเรา จึงมีแต่อุปสรรคตลอดมาน้ำตาของเธอเริ่มไหลลินออกมาอีกแสดงว่าเธอระลึกถึงความคมคืนในอดีตลืมความหลังเสียเถิดรีล ว, วดีเข้าพเจ้าปลอบบัดนี้เราเข้าใจกันดีแล้วกรรมของเราให้ผลเสร็จสิ้นลงแล้วในชาตินี้ชาติต่อไปขอให้เราได้พบกันอีกลีลาวดีมีความสุขเหลือกเกิน เธอพยายามพูดอีกแต่เสียงแผ่วเบาจนฟังไม่ได้สับลมหายใจค่อยๆเบาลงดวงตาทั้งสองค่อยๆหลีลงจนปิดสนิทพร้อมกับการปิดของเปลือกตานั่นเองลมหายใจก็ขาดหายไปดีลาวดีจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับแต่การจากไปเป็นการจากไปอย่างสงบสุข พ่อมีรอยยิ้มอย่างสดชื่นปรากฏอยู่บนใบหน้าอันซีดขาวของเธอไปที่ชอบเถิดนะลีลาวดีเอ้ยข้าพเจ้ากล่าวออกมาด้วยความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นความเยือกเย็นปกคลุมไปทั่วบริเวณนางพิสุณีทุกคนน้ำตาคลอหน่วยเพราะความสงสารรีลราวดี ดูก่อนท่านผู้มีอายุต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็จัดงานชปนกิจศพของลีลาวดีอย่างสมเกียรติแล้วก่อบพระเจดีย์บรรจุอัฐิของเธอไว้ที่ประตูพระเวรุวณารามให้ในช่างจารึกอักษรไว้บนแผ่นหินข้างเจดีย์ว่าลีลาวดีผู้บูชาความรักยิ่งกว่าเทพเจ้าลีลาวดีผู้ซื่อสัตย์ต่อความรัก ยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดีผู้รักคนยิ่งกว่าตนเองดูก่อนท่านผู้มีอายุหลังจากมรณกรรมของลีลาวดีข้าพเจ้าก็อยู่บริหารหมูนะ่คณะ และสั่งสอนประชาชนต่อไปที่เวรุอานารามนั่นเองงานเพื่อส่วนรวมของข้าพเจ้ามีผลสําเร็จอย่างงดงามยิ่งชนเป็นอนเนกได้ถูกนําจากความมืดคือโมหะสู่แดนแห่งแสงสว่างคือปัญญาจากปากอันโสม ม, มด้วยอกุศลสู่แดนอันสะอาดบริสุทธิ์ด้วยกุศลข้าพเจ้าเป็นดุจ ด, ดวงประทีปอันรุ่งเรือง สำหรับสองทางชีวิตแห่งชาวนา ค, รครราชฤรธ์และมะคตรัฐประโยชน์ที่ข้าพเจ้าทำไว้แก่ชาวโลกมีมากเหลือขนานนับแต่ประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้แหละได้กลับกลายมาเป็นกำแพงมหึมาคอยกีดกั้นข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุมรคผลอันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาใช่แต่เท่านั้นก็หาไม่ยังมีกาแพงภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ากำแพงที่กล่าวมาแล้วหลายเท่ากำแพงนั้นคือลีลาวดีแม่เธอจะได้จากโลกนี้ไปแล้วเป็นเวลานานสตีระร่างกายของเธอได้กลายเป็นเท่าทานถมแผ่นดินไปแล้ววิญญาณของเธอได้เลื่อนลอยไปสู่กำเนิดในพบที่ไม่อาจจะทราบได้จริงแต่ในความรู้สึกของข้าพเจ้าลีลาวดียังคงอยู่ในโลกนี้และแนบสนิท อยู่กับดวงใจของข้าพเจ้าตลอดมารักของเราทั้งสองเป็นรักอมตะวันคืนที่ผ่านไปไม่อาจลดพลังรักให้น้อยลงไปได้การอยู่คนละโลกไม่อาจที่จะตัดโซ่ทองแห่งความรักของเราทั้งสองให้ขาดลงไปได้เวลาตื่นข้าพเจ้าคิดถึงเธอเวลาหลับก็ฝันถึงเธอบางวันรู้สึกว่าเหงา และเศร้าใจอย่างลึกซึ้งสิ่งเดียวที่คอยให้ความอบอุ่นแก่ข้าพเจ้าได้ก็คือสถูปที่บรรจุอติของลีลาวดีที่ประตูพระเวรุวนณารามในคืนอันเงียบสงัดเมื่อทุกชีวิตกำลังหลับไหลข้าพเจ้าจะเดินไปนั่งลงข้างๆสถูปและปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปในแดนแห่งความสุขและความเศร้าในอดีตภาพแห่งชีวิต บางวันก็นั่งอยู่จนแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเบื้องบุรพธาติจึงกลับคืนสู่กุฏิน้อยในป่าไผิ จ, จิตวิส่วนตัวของข้าพเจ้าดำเนินไปอย่างนี้ปีแล้วปีเล่ายัางความสงสารสังเวชให้เกิดแก่สิทธิยานุสิตและเหล่าชนผู้รู้ดีเป็นอันมากดูก่อนท่านผู้มีอายุระหว่างที่พักอาศัยอยู่เวรุวรณาราม ได้มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นและข้าพเจ้าก็ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจึงได้นํามาเล่าสู่กันฟังเฉพาะบางเรื่องพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาข้าพเจ้าเคยเล่าสู่ฟังแล้วว่าเมื่อก่อนวรนักรรมของลีลาวดีข้าพเจ้าได้ขึ้นไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่ถ้ำสุขระขาตาเชิงเขาคิจกุฎคราวหนึ่งและรู้สึกชอบสถานที่ตรงนั้นมาก เพเป็นที่ส ง, งัดเงียบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรยิ่งกว่านั้นเมื่อเรายืนอยู่ที่ปากถ้ำแล้วมองลงไปเบื้องล่างยังได้เห็นอาคารบ้านเรือนถนนหนทางและผู้คนที่เดินไปมาในถนนแห่งกรุงราชคฤห์ได้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้เมื่อมองดูจากที่สูงเช่นนั้นจะเห็นเป็นของเล็กๆคล้ายของเด็กเล่นข้าพเจ้าชอบมองดูภาพนั้นเพราะมันทําให้ เห็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์โลกและเห็นอาคารบ้านเรือนเหล่านั้นในฐานะที่เป็นเครื่องเล่นของชาวโลกบ่ายวันนั้นขณะที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่ลานหินใกล้ปากถ้ำเขาพระเจ้าสังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นเขามาแต่ไกลเธอปีนป่ายมาตามทางค่อนข้างชันทีเดียวไม่ปรากฏว่ามีใครติดตามมาด้วยเลยทาให้เขาพเจ้า ประหลาดใจว่าเธอจะเป็นใครและจะไปที่ไหนคนเดียวเพื่ออะไรข้าพเจ้านั่งเฝ้าคอยดูด้วยอาการอันสงบหญิงประหลาดคนนั้นยังคงปีนป่ายขึ้นมาโดยไม่ยอมหยุดพักทั้งๆ ท, ที่ดูนางเหน็ดเหนื่อยมากเมื่อปีนขึ้นมาถึงดานหินใต้ร่มทองกวาอ่างจากที่ที่ข้าพเจ้าอยู่ไปข้างล่างประมาณเจ็ดวาเธอได้นั่งลงพักพ่อน เอาหลังปิ่นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เหยียดขาไปข้างหน้าตามสบายแม่ใบหน้าของเธอจะหม่นมองดำครัำและเปียกชุ่มด้วยเหงือ่อก็ยังมีแววแห่งความงามฉายออกมาให้เห็นเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากคนหนึ่งเท่าที่กัปเจ้าเคยเห็นมาลักษณะท่าทางผิวพรรณและเครื่องแต่งกายสอให้เห็นว่าเธอไม่ใช่คนชั้นต่ำเวลานั้นหญิงสาวประหลาดคนนั้น ยังมองไม่เห็นข้าพเจ้าถ้าเธอพบและเห็นข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากำลังมองเธออยู่เธอคลุมจะอายมากข้าพเจ้าจึงหันหน้าไปเสียทางอื่นแกล้งทำเป็นไม่เห็นเธอครู่ใหญ่ผ่านไปจึงมองกลับไปดูอีกคราวนี้ข้าพเจ้าได้รับความประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นหญิงสาวคนนั้นกำลังร้องไห้อย่างน่าสงสารที่สุดแสดงให้เห็นความระทมทุกข์อะไรบางอย่าง ตามปกติข้าพเจ้าเป็นคนมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความกรุณาเมื่อเห็นใครมีท่าทางเป็นทุกข์ข้าพเจ้าไม่อาจจะนิ่งดูได้อยู่ได้มักจะเข้าไปปลาศัยไตถามเรื่องราวต่างๆจนทราบเรื่องราวดีแล้วก็หาหนทางที่จะช่วยเหลือด้วยวัตถุบ้างด้วยธรรมะบ้างตามสมควรท่านผู้มีอายุภาพที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าขณะนี้เราให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสารอย่างมาก เมื่อไม่อาจทนนิ่งอยู่ได้ข้าพเจ้าจึงกแกล้มกระไอขึ้นเบาๆเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้หญิงสาวคนนั้นทราบว่าในบริเวณนั้นไม่ได้มีเฉพาะตัวเธอคนเดียวเธอหันขวับมาทางข้าพเจ้าพ่างยกชายผ้าขึ้นเช็ดน้ำตาขณะที่เธอกำลังตกตะลึงอยู่นั่นเองข้าพเจ้าก็เดินลงไปยืนอยู่ระยะห่างจากเธอประมาณสามวาแล้วก็เอ่ยปากถามว่าดูก่อน กุลธิดาเธอไปทำธุระสำคัญอะไรที่ไหนหรือจึงอุตส่าห์ปีนเขาขึ้นมาเช่นนี้คนเดียวแทนที่จะตอบคำถามของข้าพเจ้าหญิงสาวกับร้องไห้เสกสืื้อื่นดังยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงได้พูดว่ากุ<อ>ลธิดาเอ้ยเธอคงกำลังตกอยู่ในห่วงของความทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่บางทีเธออาจจะไปฆ่าตัวตายก็ได้ถูกแล้ว ดิฉันกำลังจะไปกระโดดเหวตายหญิงสาวตอบพรางมองดูข้าพเจ้าด้วยความประหลาดใจที่พูดดักใจเธอถูกเพราะไม่สามารถทนต่อความทุกข์ทรมานแห่งชีวิตนี้ได้ทุกของเธอใหญ่หลวงนักลองเล่าให้ตมาฟังซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรอตรมารู้สึกสงสารและเห็นใจเธอมากหญิงสาวได้เล่าเรื่องราวของเธอให้ข้าพเจ้าฟังด้วยน้ำตา ว่าทุกใหญ่ของเธอเกิดจากความผิดหวังในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ไม่นานมารดาบิดาของนางจะบังคับให้นางสมรสกับพรามณแก่ผู้ร่ํารวยคนหนึ่งแต่นางไม่ยอมจึงหนีไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งรักนางแต่นางก็ต้องประสบกับความผิดหวังเพราะได้พบว่าชายหนุ่มคนนั้นได้ทําการวิวากับหญิงอื่นไปเสียแล้วก่อนที่นางจะไปถึงเพียงวันเดียว นางไม่ยอมกลับบ้านของตนเพราะความเสียใจแต่ก็ได้ซัดเซพเนจร อ, อย่างคนที่ปราศจากสติเป็นเวลาถึงสามวันเมื่อไม่สามารถทนต่อความทุกข์ทรมานได้จึงตัดสินใจกระโดดเหวตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเรื่องของเธอเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากข้าพเจ้ากล่าวเมื่อฟังเรื่องราวของหญิงสาวจบแล้วใครก็ตาม ถ้าตกอยู่ในภาวะอย่างเธอก็คงจะตัดสินใจอย่างเธอทุกกายเป็นสิ่งที่พอทนได้แต่ทุกใจนี่ทนได้ยากนักวิธีแก้ทุกใจมีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือตายเสียให้ดูแล้วรู้ลอดไปและอดทนจนกว่าทุกนั้นจะดับลงคนเป็นอันมากได้เลือกเอาวิธีฆ่าตัวตายแต่ที่เลือกเอาวิธีอดทนก็มีไม่น้อยเธอเล่า จะเลือกเอาวิธีไหนก็นเลือกเอาวิธีตายดีสิหญิงสาวตอบอย่างเด็ดเดียวเธอเชื่อหรือว่าเมื่อเธอตายไปแล้วเธอจะพ้นจากความทุกข์ดิฉันเชื่อเช่นนั้นหญิงสาวตอบอย่างไม่มั่นใจนัก เธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะเธอกําลังทำลายตัวเองด้วยความเข้าใจผิดทุกของเธอไม่ได้อยู่ที่แข้งขามือเท้าหัวใจปอดกะโหลกศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจร่างกายเป็นแต่เพียงวัตถุหยาบยาบไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งสิน้นใจต่างหากเป็นผู้แบกทุกข์เมื่อร่างกายตายลงไปจิตใจก็ยังมีการสืบต่อไปอีกยังจะต้องเกิดอีก อาจจะนําเอาความสุขความทุกข์ความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์สะอาดไปด้วยได้ฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่ที่สุด ข, ของสุขหรือทุกข์การฆ่าตัวตายเป็นการทําลายร่างกายซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยให้ตายไปอย่างปล่าประโยชน์การฆ่าตัวตายเพื่อให้พ้นทุกข์เป็นการแก้ทุกข์ที่ผิดที่เหมือนชายคนหนึ่งถูกเขาด่าว่าเกิดความเจ็บใจเป็นทุกข์ เลยเอาไฟเผาบ้านของตัวเองจนบ้านถูกไฟเผาราบเรียบไปเมื่อบ้านเรือนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยกลายเป็นเท่าทานไปแล้วเขาพ้นทุก์ได้หรือเปล่าเลยกลับจะเป็นทุกข์หนักขึ้นเพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่บ้านเรือนแต่อยู่ที่จิตใจของเขานั่นเองฉะนั้นเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ต้องแก้ที่ใจอย่าไปทาลายร่างกายซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย เมื่อสังเกตเห็นหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่เข้าไปเจ้าจึงถามขึ้นว่าดูก่อนกุลธิดาเมื่อความตายไม่อาจจะทำให้เธอพ้นทุกข์ได้ช น, นี้แล้วการฆ่าตัวตายก็ไม่มีประโยชน์น่าเสียดายที่เธอจะมาด่วนทำลายชีวิตเสียอดทนต่อไปอีกไม่ได้หรือเห็นจะไม่ได้เป็นแน่หญิงสาวตอบอย่างอ่อนอกออกใจเธอประสบทุกนี้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้ว สามวันแล้วเจ้าค่ะเธอบอกว่าจะอดทนไม่ได้แต่เธอก็อดทนมาได้ถึงสามวันแล้วถ้าเธออดทนต่อไปอีกสี่วันทุกของเธอก็จะค่อยๆลดลงแล้วในที่สุดก็จะหายไปเองหญิงสาวเถียงขึ้นมาว่าท่านพูดเอาเองเช่นนั้นใครๆก็พูดได้ดิฉันอดทนมาสามวันก็แทบไม่ไหวแล้วความทุกข์ของดิฉัน ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดิฉันเชื่อว่ามันจะไม่มีวันลดลงเป็นอันขาดกุลธิดาเอ้ยเด็กผู้อ่อนความรู้เพิ่งเกิดมาสู่โลกเพียงระยะเวลาอันสั้นเมื่อเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นโลกแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปในท้องฟ้าพร้อมกับเปล่งรัศมีอันร้อนแรงขึ้นทุกทีก็กลัวตกใจเพราะเข้าใจว่า พระอาทิตย์จะสูงขึ้นไปอย่างไม่หยุดยัง้งไม่มีเวลาจะคล้อยต่ำลงรสมีอันร้อนแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะถูกเผาเป็นจุนไปเมื่อเด็กนั้นเกิดความหวาดกลัวต่อพระอาทิตย์และก็หาทางออกโดยการจริงฆ่าตัวตายเสียก่อนก็เป็นที่น่าเสียดายและน่าสงสารสังเวชเพราะถ้าเขาทนดูต่อไปอีกหน่อยเขาก็จะพบว่า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นถึงจุดสูงสุดกลางฟ้าแล้วค่อยๆลดต่ำลงรัศมีก็จะค่อยๆ อ, อ่อนลงจนในที่สุดก็หายไปในขอบฟ้าข้อที่เขาคาดหมายว่าจะถูกรัศมีของพระอาทิตย์แผดเผาให้ตายไปก็ไม่เกิดขึ้นเขาสร้างทุกข์ขึ้นหลอกตัวเองแท้ๆกุลธิดาเอยพระอาทิตย์เช่นใดทุกของเธอก็เช่นนั้นเธออดทนมาได้สามวันแล้ว แต่ยังไม่เห็นว่าทุกจะลดลงนั้นเพราะมันยังไม่ขึ้นถึงจุดสูงสุดของมันดุจพระอาทิตย์ที่ยังไม่ถึงเที่ยงวันดุจพระจันทร์ที่ยังไม่เต็มดวงแต่ในไม่ช้ามันก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มลดลงดุจกระแสน้ําคงคาปลายฤดูฝนคุณลธิดาเอ้ยจงทราบความจริงเถิดว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือนามธรรม เมื่อเกิดขึ้นและเจริญถึงขีดสูงสุดแล้วก็ย่อมจะต้องเสื่อมลงและดับหายไปในที่สุดนี่คือหลักความจริงในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรจะฝ่าฝืนได้เราทั้งสองที่กำลังสนทนากันอยู่นี้อีกไม่ถึงร้อยปีก็จะกลายเป็นเท่าทานถมแผ่นดินนะครราชคฤืออันรุ่งเรืองนี้สักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นป่าระเมาะที่อยู่ของกระต่ายป่า เพราะเกิดดับเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นจะต้องมีดับเหมือนกันหมดต่างกันก็แต่เร็วหรือช้าเท่านั้นบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับเร็วบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับช้าแต่จะช้านานเพียงใดก็ต้องดับไปในที่สุดดูก่อนกุลธิดาอัตมาเองก็เคยประสบทุกข์แบบเดียวกับเธอมาแล้ว เมื่ออยู่กรุงสาวัตถีอัตมาเกิดความรักและความหวังในคุณสตรีคนหนึ่งต่อมาเมื่อมีชายอื่นแย่งเธอไปจากอัตมาทุกอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นท่วมทับหัวใจจนเกือบจะทนไม่ไหวอัตมาได้หนีจากกรุงสาวัตถีท่องเที่ยวไปอย่างไร้จุดหมายอาศัยความอดทนและได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆในการเดินทางอันยืดยาวทุกของอัตมา ค่อยๆหายไปแม้จะยังไม่สนิทก็ทําให้ใจสบายขึ้นมากกุลธิดาเลยทุกขของเธอเป็นทุกใหญ่จึงอาจจะดับช้าแต่จะต้องดับได้อย่างแน่นอนฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่สะกด อ, อกสะกดใจคอยเท่านั้นคอยจนกว่าทุกของเธอจะถึงจุดดับต่อจากนั้นเธอก็จะสบายจิตสบายใจตามเดิม กว่าทุกของดิฉันจะดับดิฉันคงจะอกแตกตายก่อนเท่านั้นเองหญิงสาวกล่าวแย้งขึ้นหลังจากที่นิ่งฟังมานานอัตมากเกิดในโลกสาสิปีเสร็จแล้วยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครตายเพราะอกมันแตกออกมาเองแต่ที่ตายเพราะเจ้าตัวเอาสตว์ลาวุธทําลายให้มันแตกนั้นเคยเห็นมามากฉะนั้นอัตมาขอรับรองว่า อกของเธอจะไม่แตกและเธอก็จะไม่มีวันตายเพราะอกแตกนอกจากเธอจะทำลายให้มันแตกท่านผู้มีอายุเมื่อข้าพเจ้าพูดมาถึงตอนนี้หญิงผู้ระทมทุกข์ดูเหมือนจะได้สติ ค, คืนมาบ้างดิฉันเสียใจเหลือเกินจนเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไร้ค่ารู้สึกตัวคล้ายกับตายไปแล้วครู่หนึ่งแต่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกายและลมหายใจเท่านั้น กุลธิดาเอ้ยเหตุที่เธอเสียใจก็เพราะเธอไม่เข้าใจในกฎของอนิจจังจึงมองเห็นสิ่งต่างๆในแง่ดีด้านเดียวมอบความไว้วางใจให้กับความรักความหวังไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งจนหมดสิ้นเมื่อสิ่งนั้นหรือคนนั้นแสดงความเป็นอนิจจังออกมาตามการเวลาของมันเธอจึงผิดหวังเสียใจและเป็นทุกข์ระทม อย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้สมมุติว่าเธอมีเงินอยู่100ร้อยกหาปณะนะแล้วเอาไปฝากกับเพื่อนชายไว้ย5สห้ากหาปณะนะฝากไว้กับเพื่อนหญิง25ิห้ากหาปณะนะกับพี่ชายยี่สห้ากหาปณะนะกับน้องอีกยี่สห้ากหาปณะนะถ้าหากว่าเพื่อนชายโกงเอาเงินของเธอไปเธอก็เสียเงินไปเพียงยีห้ากะหาปณ ะ, ะเท่านั้นเองอีก75็ห้ากหาปณะนะยังเหลืออยู่ ถ้าสมมติว่าเพื่อนหญิงโกงเอาไปอีก25กาหาปณะนะก็ยังเหลืออยู่อีก50กาหาปณะนะถ้าพี่โกงไปอีก25ก็ยังมีเหลืออยู่อีกที่น้อง25กาหาปณะนะต่อเมื่อน้องก็โกงเอาไปอีกนั่นแหละเธอจึงจะสูญสิ้นทรัพย์ไปอย่างหมดเนื้อหมดตัวแต่การที่คนทั้งสี่จะเกิดโกงเอาเงินไปพร้อมๆกันนั้นก็เกือบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การฝากเงินแบบนี้เป็นวิธีฉลาดถ้าเธอเอาเงินทั้งร้อยกหาปณะนะฝากไว้กับคนคนเดียวถ้าโกงเอาไปเธอก็จะสูญเสียเงินไปทั้งร้อยกหาปณ ะ, ะพร้อมกันเป็นการสูญเสียอันน่าเสียดายเป็นวิธีการอันไม่ฉลาดเลยดูก่อนกุลธิดาหัวใจของเธอก็เช่นเดียวกันหากเธอยกหัวใจของเธอทั้งหมดให้ใครคนหนึ่ง ถ้าเขาไม่ซื่อสัตว์ต่อเธอเธอก็อเสียใจไปทั้งหมดสิ้นความสุขสิ้นความหวังอยู่อย่างคนไม่มีหัวใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทางที่ถูกเธอควรจะแบ่งหัวใจออกเป็นส่วนๆดุดกับแบ่งเงินส่วนหนึ่งแบ่งให้คู่รักส่วนหนึ่งมอบให้บิดามารดาส่วนหนึ่งมอบให้พี่น้องส่วนหนึ่งมอบให้เพื่อนฝูงส่วนหนึ่งมอบให้เหล่าญาติ ส่วนหนึ่งมอบให้ครูอาจารย์เป็นต้นหมายความว่าให้รักเขาแต่น้อยไว้ก่อนถ้าคนรักเกิดทรยศต่ตอเราเราจะได้เสียใจแต่น้อยต่อเมื่อเชื่อแน่ว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆจึ ง, จ ร, งรักเขาด้วยหัวใจทั้งหมดท่านพูดยังกับว่าหัวใจของคนเป็นวัตถุที่จะจาแนกแจกจ่ายได้ยางนั้นแหละความจริงมันทำไม่ได้นะท่าน คนเราเมื่อเดืรักใครแล้วก็ยากที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้รักมากๆได้ถ้าเรารักเขาแต่น้อยเขาก็ไม่พอใจเราหาว่าเราไม่รักเขาจริงแล้วความรักจะราบรื่นได้อย่างไรหญิงสาวให้เหตุผลคัดค้านด้วยหน้าตาที่แจ่มใสขึ้นมากดูก่อนกุลธิดาอาตมา จ, จะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่ามีโจรร้ายคนหนึ่ง เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอด้วยมีเจตนาร้ายต่อเธอเธอก็ทราบดีว่าเขาเป็นโจรและมีเจตนาร้ายต่อเธอแต่เพราะอาศัยที่โจรคนนั้นพยายามทําความดีทุกอย่างเพื่อให้เธอรักด้วยหวังว่าเมื่อเธอรักเขามากๆแล้วจะเป็นโอกาสให้เขาทําร้ายเธอได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อมาเธอเกิดความรู้สึกชอบเขาเพราะความดีของเขา แต่ในเวลาเดียวกันก็กดที่จะหวาดระแวงเขาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอย่อมจะรักเขาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่อาจจะรักเขาอย่างสุดหัวใจได้เพราะยังไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ใช่ค่ะหญิงสาวตอบรับทำไมจึงไม่รักเขาอย่างสุดหัวใจเล่าข้าพเจ้าถามต่อไปก็เพราะดิฉันทราบดีว่าเขามีเจตนาร้ายต่อดิฉัน การทำดีของเขาเป็นแต่เพียงการแกล้งทำเพื่อหลอกให้ดิฉันตายใจเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายดิฉันได้ง่ายเท่านั้นดิฉันอาจจะนึกชอบเขาบ้างในข้อที่เขาทำดีต่อดิฉันแต่ไม่อาจจะรักเขาได้อย่างสุดหัวใจเพราะยังหวาดระแวงเขาอยู่ดูก่อนกุลธิดานี่ก็แสดงให้เห็นว่าหัวใจเป็นของแบ่งได้เราอาจจะรักใครน้อยก็ได้ มากก็ได้ถ้ามองคนที่เรารักทั้งแง่ดีและแง่ร้ายเราอาจจะรักเขาเพียงเล็กน้อยรักเขาเพราะเห็นแง่ดีของเขาและละแวงเขาเพราะมองเขาในแง่ร้ายแม้เขาจะไม่แสดงความร้ายออกมาเราก็ไม่เสียใจหรือเสียขวัญแต่ประการใดเพราะเป็นสิ่งที่เราคาดหมายไว้แล้วถ้าเรามองเขาในแง่ดีด้านเดียว เราก็มักจะเผลอรักเขาอย่างสุดหัวใจเมื่อเขาแสดงด้านร้ายออกมาจึงเสียใจมากอย่าได้คิดเลยว่าเขาไม่พอใจเราหาว่าเรารักเขาไม่จริงเรารักเขาจริงๆแต่ว่ารักน้อยไปบ้างทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเราเมื่อใดเขาอาจพิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทําว่าซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆเราก็พร้อมจะรักเขาอย่างเต็มหัวใจ มอบหัวใจทั้งหมดให้ท่านผู้มีอายุเมื่อมาถึงตอนนี้หญิงสาวเริ่มจะมองเข้าไเจ้าด้วยดวงตาแสดงถึงความไว้วางใจและความเคารพนับถือมากขึ้นเธอกล่าวด้วยเสียงแจ่มใสว่าถูกของท่านทีเดียวดิฉันเผลอไปไว้วางใจคู่รักมากเกินไปจึงมอบชีวิตจิตใจให้เขาทั้งหมดเมื่อเขาหนีไปแต่งงานกับหญิงอื่นจึงเสียใจมาก ดูก่อนกุลธิดาการพลาดหวังของเธอในครั้งนี้แหละจะเป็นบทเรียนอันมีค่าสอนให้เธอมองโลกครบทั้งสองด้านข้า้าสอนต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอมีมืดก็ต้องมีสว่างมีเย็นก็ต้องมีร้อนมีสูงก็ต้องมีต่ำมีดีก็ต้องมีชั่วมีสุขก็ต้องมีทุกมีชนะก็ต้องมีแพ้ มีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังเราต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านถ้ามองด้านดีด้านเดียวไม่เตรียมตัวไว้รับด้านเสียเมื่อถึงข่าวประสบกับด้านเสียจะเอาตัวไม่รอดถ้ามองด้านเสียด้านเดียวไม่เตรียมตัวไว้รับด้านดีเมื่อถึงข่าวประสบด้านดีก็เอาตัวไม่รอดรักที่จะเล่นกีฬาต้องเตรียมตัวรับทั้งแพ้และชนะรักที่จะสอบแข่งขันต้องเตรียมรับทั้งได้และตก รักที่จะหวังอะไรต้องเตรียมรับทั้งความสมหวังและผิดหวังผู้มองโลกทั้งสองด้านเตรียมตัวพร้อมอยู่ทุกเมื่อย่อมยิ้มเสมอทั้งคราวแพ้และชนะทั้งคราวผิดหวังและสมหวังทั้งคราวสุขและทุกข์มีใจที่เข้มแข็งและมั่นคงย่อมได้เปรียบทุกเมื่อและทุกสถานที่กุลธิดาเอ๋ย อมองโลกในด้านดีด้านเดียวจึงต้องประสบกับมารรัทุกข์ในคราวนี้ต่อไปเธอควรมองโลกในด้านทั้งสองเสมอครั้งนี้เธอได้ล้มไปแล้วพลาดไปแล้วจงรีบลุกขึ้นเดินต่อไปเมื่อเห็นว่าตัวล้มลงแล้วจะนอนเฉยไม่ลุกขึ้นนั้นหาเป็นการกระทําอันฉลาดไม่บัดนี้เหตุผลได้กลับคืนมาสู่หญิงสาวอย่างสมบูรณ์ ก้มลงกราบแทบเท้าของข้าพเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วกล่าวว่าท่านผู้เรืองปัญญาคําแนะนําของท่านจับใจของดิฉันเหลือเกินเท่ากับว่าเป็นโอสถวิเศษชุบชีวิตของดิฉันให้กลับคืนมาทีเดียวถ้าไม่มีท่านดิฉันคงจะตายเป็นผีเฝ้าภูเขาไปแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปดิฉันจะไม่คิดทํำโง่งๆเช่นนั้นอีก และจะจดจําคำแนะนำของท่านไว้นําไปสั่งสอนผู้ที่คิดฆ่าตัวตายต่อไปท่านผู้มีอายุเมื่อได้เทศนาสั่งสอนให้หญิงสาวมีจิตใจมั่นคงในเหตุผลดีแล้วหญิงสาวก็ อ, อำลาข้าพเจ้าเดินลงเขากลับบ้านไปด้วยอาการปรกติข้าพเจ้าดีใจที่ได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้กลับคืนสู่ถ้าสุขรขาตา แล้วก็บำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้ว่าถําสุกราขาตาบนเขาคิดจะกูด จะเป็นที่ถูกอัธยาศัยของข้าพเจ้าเพียงไรข้าพเจ้าก็ไม่อาจที่จะอยู่ประจำได้เพราะงานเกี่ยวกับบริหารหมู่คณะทำให้ข้าพเจ้าต้องกลับคืนสู่พระเวรุวันอีกการได้อยู่ท้ำกลางหมู่คณะที่รวมกันด้วยธรรมะรักใคร่กลมเกลียวกันดีทุกคนแสดงแต่ความดีต่อกันจัดว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งการได้อยู่ถ้ำกลางหมู่คณะแม้ว่าบางครั้ง จะได้รับความเดือดร้อนลำคาญบ้างแต่ในส่วนลึกของหัวใจของข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นการอยู่คนเดียวตามป่าตามเขาแม้จะสงบเงียบดีบางทีก็เกิดความงอยเงาเศร้าใจเป็นอย่างมากทํให้เห็นความสำคัญของหมู่คณะขึ้นมาทันทีหมู่คณะย่อมมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลเป็นอย่างมากเราได้ประโยชน์หลายอย่างจากการอยู่ร่วมหมู่คณะ คือเมื่อเกิดเหตุจำเป็นขึ้นหมู่คณะย่อมช่วยเหลือเราได้ทรัพย์ของเรายศของเราจะมีค่าอำนวยคุณประโยชน์แก่เราได้เต็มที่ก็เพราะหมู่คณะรับรองถ้าหมู่คณะไม่รับรองทรัพย์และยศนั้นก็ไร้ค่าพระราชาซึ่งนับถือกันว่ามีเกียรติสูงสุดถ้าเข้าไปอยู่ในป่าคนเดียวท่ามกลางฝูงลิงเกียรติยศนั้นก็ไม่มีค่าแต่อย่างใด ปละการสุดท้ายการอยู่ในหมู่คณะทำให้เกิดความสุขอบอุ่นใจความจริงข้อนี้เราไม่ค่อยจะรู้สึกเพราะความเคยจินแต่เมื่อเราถูกพรากไปเสียจากหมู่คณะนั่นแหละจึงจะรู้สึกฉะนั้นการในละเทศผู้กระทาผิดจากหมู่คณะจึงถือว่าเป็นการลงโทษหนักที่ทำให้ผู้ถูกลงโทษได้รับความทุกข์มากบางคนถึงกับยอมเสี่ยงภยัย หลบหนีกลับคืนมาสู่ถ้ำกลางหมู่คณะอีกแม้ตัวจะตายก็ยอมขอให้ตายถา้ำกลางคณะก็ยังดีกว่าตายคนเดียวท่านผู้มีอายุเมื่อเราได้รับประโยชน์ถึงสามประการจากการอยู่ร่วมคณะดังนี้หมู่คณะก็ได้ค่อว่ามีบุญคุณแก่เราอย่างสูงผู้ใดรักหมู่คณะเห็นแก่หมู่คณะมีจิตใจกว้างขวาง ทำประโยชน์แก่หมู่คณะผู้นั้นได้ชื่อว่ารู้จักบุญคุณของหมู่คณะผู้ใดอยู่ในหมู่คณะได้รับประโยชน์ดังกล่าวแล้วจากหมู่คณะแต่ยังเห็นแก่ตัวมีจิตใจคับแคบเกาะโกยเอาแต่ผลประโยชน์แก่หมู่คณะเป็นเนืองนิดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เนรคุณต่อหมู่คณะเป็นผู้ทวงความเจริญของหมู่คณะเป็นกาฝากที่คอยเกาะ สุบกินเลือดเลือของหมู่คณะดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าได้พยายามแนะนําพร่ำสอนพระภิกษุสามเณรและภิกษุที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้าให้เห็นความสําคัญของหมู่คณะและทุกคนก็ตั้งอยู่ในโอวาทของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีแต่ยังมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมาจากตระกูลเศรษฐีอันมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในกลุ่มราชคฤืด พิกษุรูปนี้มีชื่อว่าวราหะมีนิสัยเย่อหยิ่งถือตัวไม่ยอมรับคำแนะนำพร่ำสอนของผู้ใดเพราะถือว่าตระกูลของตนร่ำรวยพระสุตผูธะได้นำเรื่องราวของพิษุรูปนี้มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังวันหนึ่งข้าพเจ้าจึงได้เรียกตัวเธอเข้ามาแล้วถามว่าดูก่อนวราหะผมมีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าบุคคลบางคน ที่มีกำเนิดตระกูลสูงมีการศึกษาสูงย่อมมีการประพฤติที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องมีการคิดที่ถูกต้องไม่มีข้อบอกพร่องผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยเป็นผู้ทำถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการทุกสถานที่ทุกการเวลาเมมีความเห็นอย่างนี้ท่านเล่าเห็นอย่างไรท่านผู้เจเริญกระผมเพิ่งมาอยู่ในธรรมวินัยนี้ ยังไม่มีความรู้แตกฉานในข้ออัดข้อทำของท่านแต่เท่าที่กระผมพบผ่านมาก็ดีได้ยินได้ฟังมาก็ดีปรากฏว่าสามัญชนทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ไม่มากก็น้อยไม่มีใครเลยที่จะทำพูดคิดอะไรได้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ทุกอย่างทุกเมื่อหมายความว่าสามัญชนทุกคนย่อมมีข้อบอกพร่องผิดพลาดประจาตัวอยู่เสมอ ไม่มากก็ น, น้อยใช่หรือไม่ข้าพเจ้าย้ำถามอีกทีหนึ่งถูกแล้วท่านผู้เจริญวาราหะภิกษุตอบอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นท่านก็ดีผมก็ดีในฐานะที่เป็นสามัญชนก็ย่อมมีข้อบกพร่องผิดพลาดประจำตัวอยู่เสมอเหมือนกันละสิถูกแล้วท่านผู้เจริญกระผมเองก็อาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดเช่นเดียวกับคนอื่น ภิกษุวราหะตอบรับอย่างชื่นตาเมื่อเห็นว่าได้ได้เธออยู่ในมุมอันพอเหมาะสมแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มปล่อยอาวุธของข้าพเจ้าทันทีดูก่อนวราหะเมื่อใครใครว่ากล่าวตักเตือนท่านชี้ข้อบกพร่องผิดพลาดของท่านด้วยความหวังดีเพื่อท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นทําไมท่านจึงโกรธเขาเล่าภิกษุหนุม่มนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แต่แล้วก็กล่าวขึ้นด้วยทิฐิมานะว่าความจริงผมก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่ภิกษุผู้บวชเก่าก็พยายามจับเอาเป็นผิดจนได้ดูจะเป็นคนช่างติมากเกินไปดูก่อนวาราหะคนเราย่อมไม่มองเห็นร่างกายของตนได้ทุกส่วนแม้จะยืนขึ้นแล้วก้มลงมองดูก็จะพบแต่ส่วนหน้าเท่านั้นส่วนหลังหาเห็นไม่ ในด้านของการประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรามักจะมองเห็นในด้านดีของเราด้านเสียมองไม่ค่อยเห็นก็เลยเข้าใจว่าตนดีแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วทีนี้เมื่อมีคนอื่นมาพบข้บอบกพร่องของเราเข้าแล้วชี้ให้เราดูเราไม่พอใจเพราะความรักตัวคนอื่นมองเห็นตัวเราได้ถนัดชัดเจนกว่าตัวของเราเองฉั้นใด เขาก็มองเห็นความประพฤติของเราได้ดีกว่าเราฉันนั้นเมื่อเธอยอมรับว่าตนยังมีข้อบกพร่องเมื่อมีคนอื่นชี้ให้เห็นข้อบกพร่องก็ไม่ควรจะไปโกรธเขาตรงกันข้ามควรจะกอบใจเขาเสียอีกเพราะเราจะได้รู้ข้อบกพร่องของเราแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นดูก่อนว่าราหะสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งมีของโสโครค เปื้อนที่หน้าแต่เขามองไม่เห็นเข้าใจว่าใบหน้าของตนสะอาดหมดจดดีแล้วจึงเดินไปตามถนนขณะนั้นมีชายอีกคนหนึ่งเดินทางมาพบรอยเปื้อนที่หน้าของชายคนแรกจึงชี้ให้เขาดูและแนะนําให้เขาไปล้างออกเสียแต่ชายที่หน้าเปื้ยกับโกรธหาว่าเขาดูถูกตนไม่สนใจกับรอยเปื้อนบนใบหน้าของตน เดินอวดใบหน้าอันเปื้อนเปื้อนของตนต่อไปท่านเห็นว่าชายคนนี้ทำถูกหรือผิดเขาก็ผิดอย่างแน่นอนทีเดียวละท่านผู้เจริญแล้วทางที่ถูกเขาควรทำอย่างไรข้าพเจ้าถามเขาก็ควรที่จะหันเข้าสํารวจตัวเองสิงก่อนถ้าพบรอยเปื้อนจริงดังที่คนอื่นทักท้วงก็ควรที่จะขอบใจเขาแล้วก็รีบไปล้างสิ่งโสโครกนั้นออกเสียตนจะได้ มีใบหน้าที่สะอาดหมดจดดังเดิมดูก่อนวาราหะคําทักท้วงของคนอื่นทําให้ใบหน้าของชายคนนั้นสะอาดได้ฉันใดคําตําหนิติดเตียนของคนอื่นก็อาจทาให้เราดีขึ้นได้ฉันนั้นธรรมดาบัณฑิตย่อมเห็นคําตําหนิมีค่าสูงกว่าคําชมเชยคําตําหนิทําให้คนดีขึ้นแต่คําชมเชยอาจจะทําให้คนเลวลงหรือเสมอตัว ถ้าเป็นการชมเชยตามความเป็นจริงผู้ถูกชมก็จะยินดีอยู่ในสภาพเช่นนั้นพอใจอิ่มใจอยู่ในขั้นเท่านั้นไม่คิดจะแก้ไขปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้นถ้าเป็นคําชมเชยชนิดยกยอที่ไม่เป็นความจริงเห็นใบหน้าของเราเปือเป้อนแต่เขายอว่าสะอาดดีแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้เรายินดีพอใจ อยู่กับใบหน้าที่เปลือยเปื้อนนั้นไม่คิดที่จะชำะระล้างสิ่งโสโครกออกใบหน้าของเราก็จะเละเทอะอยู่เรื่อยไปฉะนั้นท่านไม่ควรโกรธเมื่อถูกผู้อื่นตำหนิและไม่ควรดีใจพอใจอิ่มใจเมื่อได้รับคำสรรเสริญดูก่อนท่านผู้มีอายุคำแนะนําของข้าพเจ้าได้ผลทันตาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระราหะ ก็ได้กลายเป็นภิกษุผู้สงบเสงี่ยมไม่เย่อหยิ่งถือตัวยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนสาธรรมิกอย่างชื่นตาพระเวรุวนารามก็เป็นอันหมดเสี้ยนนามมีแต่สันติสุขทุกทิวาราตี